หรือไตรโลกไตรภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไตรภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพไตรโลกได้แก่กามโลกรูปโลกอรูปโลกแต่เมื่อหมายเฉพาะโลกที่เป็นชั้นดีอันเรียกว่าสุคติก็จะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าได้พระนามว่า ไตรโลกนาฏแปลว่าที่พึ่งของโลกสามคำนี้ใช้เป็นพระประมาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินก็มีดังเช่นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาคําว่าโลกหรือภพใช้ในความหมายที่ยังเป็นโลกด้วยกันส่วนคําว่าภูมิใช้ในความหมายตั้งแต่ยังเป็นโลกจนถึงเป็นโล ก, กุตรละฉะนั้นภูมิจะมีสีด้วยกันเพิ่ม โลกุตรภูมิอีกข้อหนึ่งคำว่าโลกพบหรือภูมินี้พึงเข้าใจความหมายรว ม, มกันก่อนว่าได้แก่ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิดของสั์โลกทั้งหลายผู้ที่มีใ จ, ใจิตใจยังท่องเที่ยวผัวพันอยู่ในกามก็ยังเกิดในกามโลกหรือกามาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวคลองอยู่ในกามจะเรียกว่ากามาวจรภูมิหรือ กามวจรพบก็ได้ผู้ท <Jub ilee> ี่บําเพ็ญสมาธิจนจิตใจสงบจากกามารมบรรลุถึงรูปญาณได้ย่อมบังเกิดในรูปโลกหรือรูปปาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวคล่องอยู่ในรูปสมาธิผู้ที่บําเพ็ญสมาธิละเอียดกว่านั้นจนบรรลุถึงอรูปฌานย่อมบังเกิดในอรูปโลกหรืออรูปปาวจรโลกโลกของผู้ที่เที่ยวคล่องอยู่ในอรูปสมาธิ โลกเหล่านี้แบ่งไว้ตามภูมิชั้นของจิตใจเมื่อจิตใจแยกภูมิชั้นออกไปก็เลยแยกโลกซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ให้ต่างกันออกไปอีกมากมายผู้อ่านหรือผู้ฟังควรทําใจไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องกติความคิดเก่าแก่เท่านั้นยังไม่ควรตั้งข้อคาดคั้นว่าจริงหรือไม่จริงเพราะไม่ใช่เป็นธรรมะซึ่งพึงพิสูจน์ได้ภายในตนเองแต่เป็นเรื่องโลกข้างนอกซึ่งบาลีหลายแห่งแสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณจะกล่าวถึงกามภูมิก่อนแบ่งไว้ดังนี้คืออบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวร 6, รค์หกรวมเป็นสิบเอ็ดจะกล่าวถึงมนุษย์ก่อนมนุษย์โลกโลกที่คนเราอาศัยอยู่นี้มีสัตว์เดรัจฉานอาศัยอยู่ด้วยก็จริงแต่มนุษย์เราก็เรียกยึดถือเอาว่ามนุษยโโลกถ้าจะพูดเป็นกลางๆ ก, ก็ว่า โลกนี้ตามคติความคิดโบราณว่ารุมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนตั้งอยู่ในน้ำในอากาศและมีขอบเหล็กเป็นเหมือนกำแพงกั้นข้างนอกอยู่โดยรอบอย่างกงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลหรือจักรวาลแปลว่าสิ่งที่มีขอบกั้นล้อมเป็นวงกลมเหมือนอย่างล้อคำว่าจักรวาลจึงหมายถึงโลกนี้เองคติความคิดโบราณกล่าวว่า มีจักาวานลนักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากถึงแสนโกดจักรวาลจะเรียกว่าแสนโกดโลกก็ได้คติดังกล่าวนี้แสดงว่าความคิดเรื่องโลกกลมได้มีมานานแล้วแต่กลมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนน่าจะเพราะมองด้วยตาเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีลักษณะกลมเช่นนั้นและก็จำจะต้องมีขอบขั้นข้างนอกโดยรอบไม่เช่นนั้นก็จะพังทลายลง เป็นเทตให้เกิดคำว่าจั ก, กรวาลที่แปลว่ามีขอบกั้นเป็นวงล้อเหมือนอย่างวงเกวียนส่วนที่ว่าตั้งอยู่ในน้ําในอากาศนั้นพิจารณาดูถึงความรู้ในปัจจุบันซึ่งทราบแน่เลยว่าโลกกลมแต่ไม่ใช่อย่างล้อรถและพื้นโลกเป็นน้ําโดยมากฉะนั้นถ้ามีใครซึ่งอยู่ในภาคพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกถ้าสามารถมองทะลุโลกลงไปจนถึงอีกด้านหนึ่ง คงจะพบน้าเป็นส่วนมากพ้นน้ำไปก็เป็นอากาศและกะติความคิดนั้นยังมีว่าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์ก็คงจะมีแต่ความมืดมิดทั่วไปก็น่าจะต้องกับความรู้ในปัจจุบันเมื่อวางรูปโลกให้กลมแบบ ล, อล้อรถและมีกำแพงเหล็กเป็นขอบวงรอบอย่างกลงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลแปลสั้นว่ามีขอบกาแพงเป็นวงกลมเช่นนั้นแล้ว กได้มีคติความคิดวางแผนผังโลกไว้อย่างมีระเบียบคือตรงใจกลางโลกมีภูเขาสูงใหญ่ชื่อว่าสุเมรุมักเรียกในภาษาสันสกฤตหรือสุเนรุมักเรียกในภาษามาคตเหมือนอย่างพทาวรถอยู่กลางล้อรถเขาสุเมรุจึงเท่ากับเป็นทาวโลกหรือจักรวาลนี้เขาสุเมรุมีภูเขาแวดล้อมเป็นวงรอบอีกเจ็ดชั้นและมีมาหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างเจ็ดมาหาสมุทร ภูเขาทั้งเจ็ดมีชื่อนับจากข้างในออกมาข้างนอกดังต่อไปนี้หนึ่งอสกักกณนะสองวินตกะ 3. เนมินทร์ยุคันทร 5. อิสิงทร 6. กรวีกะและ7ดสุทัศนะชื่อเหล่านี้กล่าวเรียงลำดับตามในมิราจชาดกในชาดกนั้นกล่าวว่า เขาเหล่านี้สูงกว่ากันขึ้นไปโดยลํำดับ น, นับจากเขา ส, สาุทัศนะซึ่งอยู่ข้างนอกต่ำกว่าทั้งหมดจนถึงเขาอสกักกันนะซึ่งอยู่ข้างในซึ่งสูงทัดจากเขาสุเมรุรวมเรียกว่าสัตตปริพันธ์พะปันพธ์หรือเขาสัตตบริพันธ์สัตตปลว่าเจปริพันธ์แปลว่าวงล้อมส่วนสมุดซึ่งขั้นอยู่ระหว่างนับจากระหว่างเขาสุเมรุเขาอสกักกันนะรวมเจ็ดสมุด เรียกว่าสีสันดอนมหาสมุทรแปลว่ามหาสมุทรที่อยู่ในระหว่างซึ่งมีน้ําสุขุมละเอียดหนึบหนักถึงกับทําให้ทุกๆสิ่งแม้เบาที่สุดเช่นแววหางลูกยุงเมื่อตกลงก็จมทันทีคําว่าสีทะแปลว่าทําให้ทุกๆสิ่งจมลงบวกกับคําว่าอันตระแปลว่าระหว่างหมายถึงขั้นอยู่ระหว่างภูเขาดังกล่าวจึงรวมเรียกว่าสีทันตรา ไทยเราเรียกว่าสีธันดอนส่วนในตรายภูมิพระร่วงลำดับชื่อวูเขานับจากข้างในออกไปข้างนอกแตกต่างออกไปบ้างคือ 1. ยุคันธรสองอิสินธรสกรวิก 4. สุทัศนะหเนมินทรหกวินันตกะเจอัสสกันนะในคำพีมหายานของทิเบตเรียําำดับชื่อต่างออกไปอีกบ้าง และให้คำแปลดังนี้หนึ่งยุ ค, คันธรหรือทรงแอบ 2. อ, อิสันทรหรือทรงคันไถตามเนมิรัาชชาดกเรียดอิสินธรแปลว่าทรงฤาษี 3. กรวีกะหรือเขียนเท้าหรือไม้จันแต่ทั่วไปแปลว่านกชื่อนี้ 4. ส, สุทัสนะหรือมีทัศนะที่ดีคือหน้าดูห้า อสวะการณะหรือหูมา 6. วินายกะหรือมาร้ายหรือที่ประชุมเจเนมินทรหรือทรงวงกลมหรือกงในอภิธานปธีปิกาเรียงลำดับดัง น, นี้ห น, นึ่งยุคันธรสองอิศิธรสกรวีกะสสุทัศน์หเนมินทร 6. หวินตกะ เอสการนาและกล่าวว่าเขาสุเมรุนั้นเรียกขาชื่อคือสิเนเอรุเมรุติทิวาทานมรุสุเมรุเขาสัตตาบริพันธ์คือเขาบริวารของเขาสุเมรุทั้งเจดถึงจะได้ชื่อสัพ์กันบ้างแต่ก็รวมลงว่าทั้งหมดมีเจ็ดเพื่อเขาและในฉบับมหายานของที่เบสยังกล่าวถึงน้ำในสีทัดอนมหาสมุทรทั้งเจ็ดพิสดารออกไปอีกว่า เป็นน้ำต่างๆกันนับจากข้างในออกไปโดยลําดับดังนี้หนึ่งมหาสมุทรแห่งน้ํานมที่มีกลิ่นหอม 2. แห่งน้ํานมส้มสแห่งเนยสแห่งน้ําโลหิตหรือน้ําอ้อยหแห่งน้ํายาพิษหรือเหล้าหแห่งน้ําจืด7แห่งน้ําเค็มและกล่าวว่ามหาสมุทรเหล่านี้กว้างลึกมาก และน้อยลงโดยลำดับจากข้างในออกมาข้างนอกเช่นเดียวกับเขาสตตะบริพันธ์รันพ้นเทือกที่เจ็ดออกมาแล้วก็เป็นมหาสมุทรน้ำเข็มที่มีเกาะใหญ่ที่เรียกว่าทวีปอยู่ในสี่ทิศทิศละหนึ่งทวีปคือหนึ่งทางทิศตะวันออกมีทวีปชื่อว่าวิเทหะหรือกายใหญ่หรือเรียกว่า บ, บุพเพวิเทหะฉบับี่เบกล่า ว, ว่ามีรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นถิ่นผิวขาว ชาวทวีปนี้มีจิตใจสงบและมีความประพฤติดีมีรูปหน้าเหมือนอย่างรูปของทวีปสทางทิศใต้มีทวีปชื่อว่าชมพูหรือชื่อต้นไม้ดังที่เรียกว่าชมพูทวีปคัมภี์ที่เบรเรียกชื่อว่าชมุและกล่าวว่ามีรูปเหมือนสะบักแกะหรือสามเหลี่ยมศูนย์กลางของทวีปนี้อยู่ที่โพธิพฤกพุทขยาเห็นได้ว่ารูปข้าวสมุทรอินเดียนั่นเอง เป็นถิ่นผิวสีน้ำเงินมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมีทั้งความชั่วและความดีชาวทวีตนี้มีรูปหน้าเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอย่างรูปทวีตสามทางทิ่ตะวันตกมีทวีตชื่อว่าอมอนโคโยานคำพีที่เบรเรียกว่าโคธัญะหรือสมบัติแห่งโคคำว่าโคแปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งก็ได้แปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้และกล่าวว่ามีรูปเหมือนอย่างดวงอาทิตย์คือกลม เป็นถิ่นผิวสีแดงชาวทวีตนี้มีอำนาจมากชอบบริโภคเนื้อปสัสสตว์มีรูปหน้ากลมเหมือนอย่างรูปทวีป 4. ทางทิศเหนือมีทวีปชื่ออุตรกรุรุหรือชาวเมืองกรุภาคเหนือคำพิธี่เบกล่าวว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเป็นถิ่นผิวสีเขียวชาวทวีตนี้เข้มแข็งมีเสียงดังมีรูปหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนมา้ามีต้นไม้ซึ่งอำนวยความสำเร็จสิ่งที่ต้องการเป็นที่อยู่อาศัย ทวีปใหญ่ทั้งสีนี้คำภีที่เบกล่าวว่ามีทวีปน้อยเป็นบริวาทรทวีปละสองตั้งดูสองข้าของทวีปใหญ่รวมเป็นสิสองทวีปส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทวีเปเล็กๆเป็นบริวารมากนับรวมถึงสองพันและได้กล่าวรูปหน้าของชาวทวีปทั้งสี่นี้ว่าคนในชมพทูทวีปหน้าดังดุมเกวียนคนในบุพภวิเทหะหน้าดังเดือนเพนและกลมดังหน้าแว่นคนในอุตรกรุหน้าเป็นสี่เหลี่ยม คนในอมรโครยานหน้าดังเดือนแรงแปดคำ่ำไตรภูมิพระร่วงแต่งจากคำพีทางกินิยานหรือทักษิณนิกายคำพีฝ่ายนี้พรัฒนาอุตรากุรุทวีปได้ดีวิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยย่อในตอนที่ว่าด้วยผ่านยักษ์ผ่านพระทวีปทั้งหมดเหล่านี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรน้ำเข็มในสี่ทิศของเขาสัตตาบริพานซึ่งมีเขาสเมรุเป็นศูนย์กลางทัดจทวีปเหล่านี้ออกไป ก็ถึงที่สุดโลกโดยรอบซึ่งมีกําแพงเหล็กเป็นขอบกั้นอยู่รอบเหมือนอย่างกงแห่งล้อรวมเป็นจั ก, กรวาลโลกของเรานี้ก็เป็นจั ก, กรวาลอันหนึ่งในจั ก, กรวาลทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอันมากคำภีฟฟรฝ่ายมหายานของทิเบตกล่าวไว้ว่าทุกๆจักรวาลตั้งอยู่ในอากาศว่างเปล่าอันไม่อาจอย่างอาศัยอยู่บนถืนลมเหมือนอย่างวัชระคือศรพระอินทร์หรืออสเนบาตรูปกากบาท แข็งทนทานเหมือนวัชระคือเพชรบนหลมนั้นมีห่วงน้ำตั้งอยู่บนห่วงน้ำมีรากฐานเป็นทองคำโลกตั้งอยู่บนรากฐานทองคำนั้นมีเขาพระสุเมรุพุ่งขึ้นไปเป็นแกนกลางแผนผังโลกตามความคิดเก่าของอินเดียดังที่กล่าวมานี้ถ้าลองเขียนเป็นแผนที่ย่อ ด, ดูจะเห็นว่าวางเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูคือจะเห็นโลกทั้งหมดเป็นรูปจักรวาล คือวงกลมชิดมีขอบอย่างล้อรถซึ่งใหญ่ตัวมหึมามีเขาสมัยรุ่สูงใหญ่เป็นศูนย์กลางมีเขาสูงลดหลั่นลงไปล้อมเป็นบริวารอยู่อีกเจ็ดชั้นและมีมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างทุกชั้นผลออกไปก็เป็นมหาสมุทรมีทวีปทั้งสี่ตั้งอยู่ในสี่ทิศตัวอย่างแผนผังเมืองที่มีระเบียบแต่อย่าเพ่งคาดคั้นเอาความจริงเพราะเป็นตารางภูมิศาสตร์โลกในสมัยหลายพันปีมาแล้วทวีปทั้งสี่นั้น ชมพูทวีปก็คือโลกในความจริงของผู้เป็นต้นคติความคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คืออินเดียเองโซนอีสามทวีปแม้จะกล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาล น, นี้แต่ก็น่าจะเป็นโลกในความคิดนึกในใจหรือกำหนดเอาด้วยภาพทางใจซึ่งจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุไรก็าตามเพราะในสมัยโบราณนานไกลน่าจะไปเที่ยวสารวจให้รอบโลกได้ยากแต่เมื่อกาหนดลงเป็นแน่ว่ามีทวีปในสี่ทิศ ทวีปในทิศที่ตนอาศัยอยู่ก็ここได้เห็นอยู่แน่แล้วจึงต้องค้นคิดหาทวีปในอีกสามทิศ ต, ตั้งเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางแต่มีบุคคลบางพวกในปัจจุบันแสดงความเห็นว่าอีกสามทวีปนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกนี้แต่ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงทวีปเหล่านี้ได้กล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาล น, นี้นั่นแหละวิเคราะห์ดูตามแผนผังโลกของท่านก็จะต้องมีไม่เช่นนั้นก็ขาดไปสามทิศ และยังได้แสดงเวลาของดวงอาทิตย์ไว้ว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในชมพูทวีปนี้เป็นเวลาเที่ยงวันในบุพพวิเทหะเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงคืนในอมรโคยานเวลาอาทิตย์ขึ้นในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงวันในอุตรากุรุเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอมรโคยานเป็นเวลาเที่ยงคืนในชมพูทวีปเวลาอาทิตย์ขึ้นในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงวันในอมรโคยาน เป็นเวลาอาทิตย์ตกในชมพูทวีปเป็นเวลาเที่ยงคืนในบุพพวิเทหะเวลาอาทิตย์ขึ้นในอมรโคยานเป็นเวลาเที่ยงวันในชมพูทวีปเป็นเวลาอาทิตย์ตกในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงคืนในอุตรากุรุตามกติความคิดนี้ดวงอาทิตย์เดินโคจรไปตามวงกลมของจักรวาลผ่านทวีปทั้งสี่ได้ขอให้ผู้ทรงภูมิรู้ในปัจจุบันช่วยค้นเวลาที่เพียงดูว่าเวลาหกนาฬกาที่อินเดีย อันเป็นชมพูทวีปในเวลานั้นโดยเฉพาะที่พาราณสีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคยาจะเป็นเวลาเที่ยงวันเป็นต้นที่ประเทศไหนบ้างท่านผู้นั้นได้จดให้ดังต่อไปนี้เวลาหนาฬกาพาราณสีรัตติจูด26องศาเหนือลองติจูด8ปสมองศาตะวันออกเวลา1ิบสองนาฬกานิวซีแลนด์รัตติจูดยีองศาเหนือลองติจูด หนึอบองศาตะวันออกเวลาสิบแดนาฬิกานิวออร์ลีสชิคาโกรัติจูดยี่สบองศาเหนือลองจิจูดเกบเจองศาตะวันตกเวลายี่สิบสีนาฬิกาอังกฤษรัติจูดยีหองศาเหนือลองจิจูดเจ็องศาตะวันตกตามที่เทียบกันนี้ชมพูธวีทย์อยู่ที่อินเดียปุพพาวิเทหะอยู่ที่แถบนิวซีแลนด์ อุตรากุรุอยู่ที่แถบนิวออร์ลีนส์ชิคาโก้นับ ก, กว้างๆว่าอเมริกาอมมนโคยานอยู่ที่แถบอังกฤษนับ ก, ก ว, ว้างๆว่ายุโรปแต่ตามปิติความคิดเรื่องสี่ตวีปน่าจะม่ได้มุ่งหมายถึงประเทศปัจจุบันเหล่านี้เพราะมีแนวความคิดเรื่องโลกกลมโคนละอย่างทั้งพัฒนาถึงลักษณะภูมิประเทศและบุคคลคล้ายกับเรื่องในนิยายหรือจะเป็นอย่างเดียวกันแต่มองโคนลนทัศนะเหมือนอย่างดวงอาทิตย์โคจรกับ ดวงอาทิตย์อยู่กับที่ใช้อันไหนเป็นเกณฑ์คำนวณเวลาก็ได้ผลอย่างเดียวกันแต่เมื่อแสดงเวลาอาทิตย์โครจรผ่านทวิปทั้งสี่ไว้ด้วยจึงลองค้นหาดูก็ได้พบประเทศต่างๆดั ง, ดงกล่าวนั้นเรื่องจักรวาลโลกตามกติดความคิดที่เล่ามานี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสตร์แต่เป็นภูมิศาสตร์เก่าจะเป็นเพราะมีผู้ชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในกำพีทางพระพุทธศาสนาด้วย คมพีชันหลังยิ่งแสดงวิจิตพิสดารมากถ้าพุทธศาสตร์จะมุ่งแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิศาสตร์ไปแต่ท่านผู้แสดงก็จะกลายเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์ในยุคหนึ่งมิใช่เป็นาศาสดาผู้ประกาศศาสนาที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกยุคสมัยด้วยเหตุผลที่เป็นสามัญสำนึกเพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้านหลักฐานธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาได้มีผู้แสดงประกาศลัทธิศาสนามากด้วยกัน ทั้งที่เกิดก่อนทั้งที่เกิดหลังพระพุทธศาสนาชอบแสดงตนเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์แม้ผู้อธิบายพระพุทธศาสนาต่อๆมาคือพระอาจารย์ยุคต่างๆก็เช่นเดียวกันแม้จะเป็นมูลฐานของปัจจุบันแต่ก็ก้าวมาไม่ถึงยุคปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องล้าหลังเป็นนิยายหรือวรรณคดีโบราณไปแต่ก็เป็นเรื่องน่ารู้อยู่เพราะจะได้ทราบคติความคิดในชั้นเดิมเมื่ออ่านคัมภีร์หรือหนังสือวรรณคดีทางศาสนาเก่าๆ ก, ก็จะพอเข้าใจ และมองเห็นภูมิประเทศตามคติความคิดนี้ได้โดยตลอดโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยาณสังวงรสมเด็จสุสังคราชสกคลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป